าวนาจริงๆภาวนามีสติควบคุมจิตใจอยู่เสมอทั้งกลางวันกลางคืนไม่ให้ใจของตนมันพุ่งซ่านเลื่อนลอยไปตามอารมณ์ที่น่ายินดียินร้ายต่างๆในโลกการคิดเรื่องอารมณ์ต่างๆนี่มันไม่ฟังหรอกมันคิดคิดแต่ว่ามันรู้เท่าผู้มีภาวนาอยู่นะ่ะ คิดไปแล้วก็เห็นว่าเรื่องนั้นมันก็ดับไปไม่มีตัวตนอะไรความคิดความหมายต่างๆหมูนั้นเพียงแต่คิดรู้แล้วมันก็ดับไปจิตใจก็วางเฉยอยู่ไม่ได้ยินดียินร้ายไปกับความคิดอันนั้นเมื่อเห็นรูปกายไม่ใช่ตัวตนแล้วก็เห็นนามมาทำไม่ใช่ตัวตนเราเขาเข้าไปอีกอย่างนี้นะมันก็ เป็นหนทางที่จะให้ได้บรรลุถึงโลกรัฐธรรมแปลว่าธรรมอยู่เหนือโลกก็หมายถึงว่าความรู้อันนี้แหละมันอยู่เหนือสมมุติบรญยัติของโลกที่โลกสมมุติว่าตัวตนเราเขาอะไรหมดนี้นะความรู้อันนี้มันเลยไปแล้วแับนี้นะมันเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนเราเขาแล้วออย่างนี้นะเมื่อเมื่อมันละความเป็น ตอนสําคัญเรามีเรามีเขาไปเสียแล้วจิตนี้มันก็เป็นธรรมแล้ววันนี้นะออจิตนี้ก็เป็นธรรมเป็นธรรมถ้าเป็นธรรมแล้วกหมายความว่าจะว่าเราก็ไม่ใช่จะว่าเขาก็ไม่ใช่แล้ววันนี้นะนั่นเป็นธรรมเป็นความรู้ยิ่งเป็นความรู้เท่ารู้ไม่ยึดรู้ไม่ถือพรมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วดับไปอยู่อย่างนั้น ไม่มีอะไรที่จะมายึดถือเอาว่าเป็นแก่นเป็นสานได้ไม่มีเลยนี่เราพยายามบำรุงความรู้ความเห็นอันนี้ไปเรื่อยเรื่อยเมื่อมันอิ่มตัวพอแรงแล้วนะเออมันก็สามารถที่จะบรรลุโลกุตตรธรรมได้นี่จึเชื่อว่าสมกับว่าผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญดังแสดงมา ขอยุติลงเพียงเท่านี้เพึ่พากันตั้งใจให้ดีเวลานี้เรามาประชุมกันก็เพื่อฝึกฝนกายฝึกฝนใจให้สงบให้ตั้งมั่น กายก็นั่งนิ่งๆไม่ก้มนักไม่เงยนักใจก็พยายามเพ่งลมหายใจเข้าออกระงับความคิดที่ฟุ้งซ่านไปภายนอกต่างๆมันจะหยุดยั้งความคิดได้กับ อาศัยเพ่งลมหายใจเข้าออกนี่แหละหายใจเข้าก็ยังรู้จิตว่าตั้งอยู่อย่างไรหายใจออกมาก็ยังรู้จิตว่าตั้งอยู่ที่ไหนจิตก็คือความรู้นั่นแหละออกมาจากความรู้นั่นแหละจิตตั้งแปลว่าความคิด เพราะฉะนั้นในพระอภิธรรมท่านจึงกล่าวว่าจิตนี่นะ่ยมันมีหลายดวงแต่มันเกิดดับเกิดดับอยู่นั่นมันมีหลายดวงเพราะกิเลสมันทําให้เกิดมีจิตหลายดวงขึ้นมาแต่ว่าในทาง ถ้าสูตรท่านเรียกว่าเจตสิกไอ้ความคิดดีคิดชั่วคิดไม่ดีเมตชั่วต่างๆ่างหเนี่ยท่านเรียกว่าเจตสิกธรรมอยู่ในจําพวกขันห้านี่สังขารน่ะได้แก่เจตสิกธรรมคือความคิดที่เป็นบุญบ้างเป็นบาปบ้าง ไม่ใช่บุญไม่ใช่บาป้ังแต่ท่านเรียกว่าสังขารอันนี้แหละเพราะฉะนั้นการภาวนาก็จึงมุง่งความรู้สึกนั้นเป็นหลักเป็นที่ตั้งเพราะความรู้สึกนี่มันไม่เปลี่ยนแปลง เป็นอย่างอื่นมันมันรู้อย่างเดียวส่วนความคิดนั่นมันเปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ์สุดแล้วแต่มันคว้าได้อารมณ์อะไรมันก็คิดไปตามลักษณะของอารมณ์นั้นนั้นการภาวนาก็คือการรวบรวม ความรู้สึกให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวไม่ให้มันกระจายออกไปเป็นหลายเรื่องหรือจะว่ารวมจิตให้เป็นหนึ่งให้เป็นแต่วความรู้อันเดียวก็ได้ดังนั้นในสมถะขั้นต้นนี่นะท่านยึงสอนให้ รวมความคิดความนึกต่างๆลงไปให้ให้เหลือแต่ความรู้อย่างเดียวเมื่อเราประคองความรู้อันนั้นให้ตั้งมั่นอยู่ภายในนานเข้าไปมันก็ผ่องใสขึ้นมาเพราะว่ามันไม่ได้คิดยุ่งไปในเรื่องต่างๆ ทีนี้เมื่อความรู้สึกนั้นมันผ่องใสขึ้นมาแล้วก็จึงค่อยเจริญปัญญาต่อปัี้านะี่คิดอะไรมันก็เห็นแจ้งไปในสิ่งนั้นเมื่อใจมันผ่องใสแล้วนะ <c oughs> เมื่อใจยังมัวหมองอยู่นั้นหรือว่าความรู้สึกอันนี้มันยังมัวหมองอยู่นี่คิดอะไรก็ไม่ออก ไม่รู้ได้ลองสังเกตดูผู้ใดสังเกตดูก็รู้ได้แหละในขณะ น, นี้ใจมันเศร้าหมองเช่นนี้แล้วคิดอ่านอะไรก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยรู้เหตุผลในเรื่องนั่นๆในขณนะใดความรู้สึกอ น, นี้มันผ่องใสมันสงบมันเย็น อยู่ในปัจจุบันนี้แล้วก็มันคล่องตัวแับนี้นะเราจะคิดเราจะพิจารณาเรื่องอะไรมันก็เห็นชัดในเรื่องนั้นดังนั้นให้พากันเข้าใจความหมายของคำว่าภาวนามุ่งให้จิตสงบนี่แหละสมถภาวนา อย่าพิ่งไปคิดไปอ่านอะไรก่อนทำอย่างไรความคิดนี่มันจะหยุดลงเราก็เอาเลยทำลงไปเพ่งลมหายใจเข้าออกเข้าไปไม่นานความคิดนี่มันก็หยุดลงได้ มันก็มาเป็นทุกข์เดือดร้อนกับความคิดตัวเองนี่แหละคนเราเนี่ยมันระงับความคิดอันนี้ไม่ได้แล้วก็วุ่นวายแล้วแบบนี้ไม่เป็นอันกินไม่เป็นอันนอนไม่เป็นอันนั่งเพราะว่าจิตนี่มันมีอิทธิพลเมื่อมันป่วนปั่นแล้วมันก็ทําให้ร่างกายนี่ป่วนปั่นไปตามด้วย ทำให้รัา ก, กายนิ่งนิ่งอยู่ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยคนเรามันถึงได้เป็นทุกข์ทุกข์ขังแปลว่าทนได้ยากเมื่อจิตใจมันนิ่งอยู่ไม่ได้แล้วมันส่งสส่ไปมากระซับกระใยนี่ก็แสดงว่าจิตมันทนได้ยากมันทนอยู่ไม่ได้ ถูกกิเลสมันรบ ก, กวนเอาจนไม่มีกําลังสู้ ก, กิเลสก็จึงได้วันไวไปตามกิเลสอันส่วนร่างกายนี่มันก็แปลปรนไปตามเรื่องของมันถึงขามันแปลไปมันก็แปลไปถึงขามันวันไว้มันก็วันไว้ นัและความวันไหวความแปลปวนนั่นแหละคือทุกกาย <c oughs> ความทุกข์ย่นลงแล้วมันก็มีอยู่สองเท่านี้เองนะทุกข์กายกับทุกใจทุกใจนี่พ อ, ย, อ, อยิ่งยาได้แต่ทุกกายนั่นก็พ อ, ย, อ, อยิ่งยาได้ชั่วครั้งชั่วคราว แต่เมื่อหนักนักเข้าจริงแล้วก็เยียวยาไม่ได้เลยมันต้องแตกดับทําลายไปส่วนทุกข์ใจนี่เมื่อบุคคลใดมาค้นหาต้นเหตุของความคิดความนึกต่างๆได้แล้วก็มาระงับต้นเหตุอนั้นเสียกําหนดละต้นเหตุอนั้นเสีย แล้วจิตมันก็หยุดคิดลงได้ออมันต้องยึดถือเอาเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาเป็นอารมณ์มันจึงคิดเรื่องมันนะ่ะถ้าจิตนี้มันไม่ยึดถืออะไรอะไรมาเป็นอารมณ์แล้วมันไม่คิดแล้วมันย่อมมีแต่รู้อยู่อย่างเดียวเท่านั้นดังนั้นนะ่ะถ้าว่า เผลอๆจิตมันคิดฟุ้งไปแล้วก็กำหนดดูเอ๊ะมันเพราะอะไรมันยึงคิดจิตมันยึดถือเรื่องอะไรพอเราทวนกระแสเข้าไปภายในนั้นมันกกรู้ได้ว่าจิตมันยึดถือเรื่องอะไรมันก็รู้ได้พอมันรู้ได้แล้วมันก็ กำหนดละอืมไม่ถือมั่นไว้กำหนดละแล้วก็มากำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่อย่างนั้นแล้วจิตมันก็หยุดคิดแหละมันเอารม์หายใจเข้าออกเป็นอารมณ์มันหยุดคิดลงไปพอ มันหยุดคิดลงก็เหลือแต่ความรู้กับลมหายใจเท่านั้นเองก็เพ่งความรู้อันนั้นกับลมหายใจเอาออกอยู่เอาจนว่าความรู้อันนั้นมันมั่นคงมันตั้งมั่นลงมันละเอียดเข้าไปมันไม่รู้เรื่องหยาบหยบหมายเขาว่าอย่างนั้นมัน ลมหายใจก็ละเอียดเข้าไปความรู้สึกก็ละเอียดเข้าไปเมื่อความรู้สึกมันละเอียดเข้าไปเท่าไรมันก็ปรากฏว่ามันเบาเบากายเบาจิตนี้มันไม่อึดอัดไม่ขัดข้องเมื่อจิตหยุดคิดุ่งสัานเช่แล้วร่างกายมันก็พลอย สงบระงับไปด้วยร่างกายมันก็ไม่ค่อยกระสับกระใา mm hmm. เพราะเหตุนั้นผู้ที่มีจิตใจสงบลงไปได้แล้วมันก็นั่งอยู่ได้นานนะ mm hmm. ใครใจไม่สงบแล้วนั่งไม่ได้นานเลยเพีเดียวก็ดุกเคลื่อนไหวไปมาแล้ว mm hmm. ดังนั้นอิทธิพลของใจเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่ามันมีอิทธิพลเหนือร่างกายอย่างไรเราก็รู้ได้อย่างว่านี่แหละเมื่อทำใจมันรวมลงได้แลอย่างนี้กายมันก็นิ่งได้นี่แหละอิทธิพลของดวงจิตนี่ เราต้องสร้างจิตนี้ให้เกิดอิทธิพลขึ้นด้วยความสงบเราทําจิตให้สงบนี่แหละเป็นอำนาจเป็นอิทธิพลไม่ใช่เอากิเลสมาเป็นอำนาจความโลภความโกรธความหลงมันเป็นอำนาจไฟต่ำเป็นอกุศล โดนบันดาลให้ดวงจิตนีได้ประสบกับความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าต่อไปดังนั้นนะให้พึ่งพาการเข้าใจผู้ใดเกลียดต่อความทุกข์แล้วอย่าไปเกียดค้านภาวนาเท่งพินิษฐ์ทำจิตให้สงบลงไป แม้ว่ามันจะยากลำบากเมื่อเวลากำลังทำอยู่เนี่ยก็อดทนเอาพอใจมันรวมลงมันสงบลงไปแล้วความยากความลำบากเหล่านี้มันก็หายไปถ้าผู้ใดไม่สู้กับความทุกข์ยากลำบากในการทำความเพียงเพียนเพ่งพินิษ์อย่างที่ว่านี่ย มันจะได้ดับความทุกข์ในภายหลังเพราะจิตใจเมื่อมันอ่อนแอท่อแท้แล้วมันก็กวิตกกิเลสนะนะมันฉุดคล่าไปอยากได้อะไรต่ออะไรไม่มีสิ้นสุดนั่นเมื่อจิตเป็นตกเป็นทาตของตัณหาแล้วก็หาความสุขไม่ได้เลย มีแต่ป่วนปันวันไหวอยู่พอพ น, นั่นเพราะจิตนั้นมันไม่ยอมหยุดจากความอยากมันอยากอยู่อย่างนั่นเหตุนั้นพระพุทธเจ้ายังได้ทรงตรัสว่าแม่น้ำเสมอด้วยตันหาไม่มีความอยากในใจของคนเรานี่ มันมีมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทะเลพระพุทธเจ้าทรงปรเปรียบเทียบไปนะลองสังเกตดูสิแน่นอนทีเดียวถ้าผู้ใดไม่ภาวนาไม่ทำใจสงบระงับลงไปแล้วตัญหามันก็ไหลหลังทั้งเทออกมาจากกิจ น, นั่นแหละเหมือนอย่างลำธารไหลไปไม่หยุดยั้ง ไหลไปก่อนลงสู่ทะเลหลวงนุน่นทะเลหลวงกว้างใหญ่ไพศาลมองไม่เห็นฟังฉันใดบุคคลผู้ตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาแล้วกิเลสตัณหาก็พาท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในวัฏสงสารนี่ไม่มีสิ้นสุดเหมือนกันถ้าหยุดยั้งตัณหานี่ไม่ได้แล้ว การเที่ยวเกิดเที่ยวตายก็ไม่ไม่มีสิ้นสุดเหมือนกันเนี่ยต้องพิจารณาให้เข้าใจอย่างนั้นเรื่องการพิจารณาให้รู้ว่าการความเกิดเป็นทุกข์นี่นะมันจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งท่านจัดเข้าในทุกขสัตว์ในอริยสัจสี่นั่นความรู้ว่าชาติความเกิดเป็นทุกข์ ความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์นี่ถ้าไม่เห็นทุกข์เหล่านี้แล้วมันก็ไม่เบื่อในการเกิดมันก็อยากเกิดอยู่ร่ำไปนั่นแหละ <c oughs> เมื่อมันเกิดมาแล้วมันก็อยากได้อะไรต่ออะไรมาบำรุงร่างกายสังขารอันนี้เพราะมันหวงมันหวง มานับชาติไม่ทวนแล้วดังนั้นเนี่ยคนเราเกิดมาในโลกนี่มันยิงได้ขวัขวายวิ่งเต้นแสวงหาทรัพปัจจัยต่างๆในโลกอันนี้ได้เท่าไหร่ก็ไม่พอนี่ก็เพื่อที่จะเอามาบำรุงร่างกายอันนี้นอกจากบำรุงร่างกายนี่ก็อันนี้แล้วก็ เผื่อลกูกเผื่อล้านเผื่อเล้นอะไรไปแต่พุทธตะเพื่อแหละเรื่องของตันหาไม่มีสิ้นสุดจริงๆ <c oughs> แล้วเมื่อเป็นเช่นนี้จะมาให้คนเรามันเป็นทุกข์อย่างไรเล่าลองดูสิผู้ครองเรือนทั้งหลายนะเนีอ้าวเมื่อมีผัวมีเมียมาแล้วก็มีลูก มีลูกมาแล้วก็ต้องหาปัจจัยทั้งสี่นั้นมาเลี้ยงลูกแล้วบัด น, นี้นะผู้ได้มีลูกหลายคนยิ่งเป็นทุกข์หลายอแสวงหาอยู่ยนั้นได้มาแล้วมาบริโภคใช้สอยไปก็หมดไปแล้วก็หามาใหม่อยู่อย่างนั้น หามาแล้วมาบริโภคไปก็หมดไปเหตุนั่นแหละคนเรามันถึงหยุดแสวงหาไม่ได้ถ้าหยุดแสวงหาก็อดกันมันเป็นงั้นนี่แหละความที่ชาติความเกิดมันเป็นทุกข์ที่พระพุทธเจ้าสอนให้พุทธบริษัทใจเพ่งพิจารณาให้เห็นโทษแห่งความเกิด เมื่อมาหเห็นโทษแทงความเกิดก็เป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากแล้วก็คราวนี้มันก็เบื่อหน่ายขึ้นมาไม่อยากเกิดอีกแล้วทำอย่างไรล่ะถึงจะไม่ได้เกิดอีกก็มาล่ตัณหาในหัวใจนี่แหละเมื่อล่าความอยากนี่หมดได้แล้วก็ไม่มีปัจจัยในจะพายไปเกิดอีกต่อไป ถ้าบุคคลใดยังไม่เห็นทุกข์เข็นภัยในสงสารนี่แล้วอย่างนี้มันก็ไม่ยอมละตัญหาเลยวบนี้นะมันก็สะสมตัญหาให้หนาแน่นขึ้นในใจเรื่อยไปมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการภาวนาก็ถึงชื่อว่าเมื่อกล่าวโดยเนื้อความแล้ว เ้วก็มานั่งภาวนานี่ละตัณหาความอยากอันนี้แหละให้มันน้อยเบาบางเข้าไปเรื่อยๆอย่าไปสะสมความอยากให้มันมากขึ้นไปกวัวเก่าถ้าหากว่าเราทำใจให้สงบลงไปได้เออมันก็ระงับความอยากไปได้พักหนึ่งถ้าเมื่อจิตถอนออกมา หากไม่เจริญปัญญามันก็หมุนเข้าไปหาความอยากของเขานั้นแหละอีกนะดังนั้นพอจิตถอนออกมาท่านจังสอนให้เจริญปัญญาต่อได้เพิจารณาความจริงของชีวิตของสังขารอันนี้ให้รู้ให้เห็นตามความเป็นจริง เมื่อเห็นอะไรตามเป็นจริงแล้วก็ปรงก็วางลงคือเราพิจารณาเพื่อให้รู้ความจริงของสิ่งนั้นเท่านั้นแหละไม่ใช่พิจารณาเพื่อที่จะยึดยึดถือเอาไว้เมื่อแต่ก่อนนี้มันยังไม่รู้มันจึงได้ยึดถือเอาไว้นี่นะมดีเมื่อพิจารณาเห็นรู้ชัดตามเป็นจริงแล้วว่า สังขารทั้งพวงนี้ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นไว้เลยเพราะเป็นของไม่เที่ยงมันเกิดมาแล้วมันก็แปรปวนแตกดับไปถ้าขืนยึดถือไว้ใจก็เป็นทุกข์เดือดร้อนไปตามเพราะมันเห็นแจ้งอย่างนี้แล้วมันจึงค่อยปลงลงได้วางลงได้ถ้ามันยังไม่เห็นแจ้งอย่างนี้นะมันจะไม่วางลงเลยมันยึดไว้อยู่อย่างนั้นแหละ เพราะฉะนั้นเมื่อรู้อุบายดังกล่าวมานี้แล้วก็พึ่งพาการมีอุบายแยบ็บคายสอนใจของตนให้ละอุปาทานความยึดมั่นถือมัน่นดังกล่าวมานี้ให้ได้ต่อไป